<Book> <24. S 3> ยี่สิบสี่เรวนาลกการนัดหมายสามาเวสมคุณพาลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะมีบัสไปลิปโย์นดะดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะ เน้นมี ก, ก็รักูอรารักันเตนรีดิชินจานุคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะมีวัตถุมือถือเลยนะครังหน้าขอให้ตรงเวลานะคะอีสารนนุนทีวิธีก็อุ่นดัด น, นดีครังนานั่งแท็กซนะคะอีสารนนุนทีแท็กซี่โล ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะอีจาร์นันดี้มีตัปาริกก็โกดูกติสกันเลยดิพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะเรปูนากุเซลวุนดิพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะมานันเรปูกาลุดดามะขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะแชะมินฉันดิเรปูเนนราเลนุ สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะอีวารันต์รจูมีรมุนด์กนเยเวน่าพันหลเปิดกุนนาระหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะเลดามีกูอินตกมุนไปเยเวน่านกลัสกอบาสบุนดาดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์นาวุดเดศนล่ะมนัมีอีวารทันล่ะาลวาล เราไปปิกนิกกันดีไหมคะมานันปิกนิกกีเวลดามะเราไปชายหาดกันดีไหมคะมานนสมุทรทียมกีเวลดามะเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะมานันปรวตาลไปกีเวลดามะดิฉันจะไปรับคุณที่ทํางานเนนนิ น, นุออฟฟิศนนดีทีสกวบสตาน ี่ฉันจะไปรับคุณที่บ้าน น, น้นนินอินเดนุนดีทีสกสตาฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารนนนิ น, นบัสตอ๊อปนนดีีสกสตาน